วิธีลงปรับภาชนิยกรรมและกรรมวาจาลงปรับภาชนิยกรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสงพึงลงปรับภาชนียกรรมอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงโจทย์ภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพภสสุกะครั้นแล้ว ให้ภิกษุเหล่านั้นให้การแล้วจึงปรับอาบัติครั้นปรับอาบัติแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงราบด้วยยติจะตุตะกรรมเมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพัสสุกะสองรูปนี้ประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวซาม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหล่านั้นเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วและตระกูลทั้งหลายที่ถูกภิกษุเหล่านั้นประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วถ้าสงพร้อมกันแล้วก็พึงลงปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพัทสุกะให้ไปจากกีดาคีรีชนบท โดยประกาศว่าภิกษุชื่ออัสชิและปุณพัชสุกะไม่พึงอยู่ในกีดาคิรีชนบทนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อว่าอัสชิและปุณพัชสุกะเหล่านี้ประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวทรามความประพฤติของภิกษุเหล่านั้น เขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วและตระกูลทั้งหลายที่ถูกภิกษุเหล่านั้นประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วสงลงปบพาชนียกรรมพวกภิกษุชื่ออัศชิและปุณพัสุกะให้ไปจากกีดาคิรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่ออัศชิและปุณพัสสกะ ไม่พึงอยู่ในกีดาคิรีชนบทท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณับสสุกะให้ไปจากกีดาคิรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณับสสุกะไม่พึงอยู่ในกีดาคิรีชนบทท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วย ท่านรูปนั้นพึงทักทวงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพัสสุกะเหล่านี้ประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวสามความประพฤติของภิกษุเหล่านั้นเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่ว และระกูลทั้งหลายที่ถูกภิกษุเหล่านั้นประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วสงลงปปาชนียกรรมพวกภิกษุชื่ออัศชิและปุณพสุกะให้ไปจากกีดาคิรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพสุกะไม่พึงอยู่ในกีดาคิรีชนบทท่านรูปใด เห็นด้วยกับการลงปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพสุกัให้ไปจากกีดาคิรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพสุกัไม่พึงอยู่ในกีดาคิรีชนบทท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง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 เขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วสงลงปรปภาชนิยกรรมพวกภิกษุชื่ออัศ chi และปุณพสุกะให้ไปจากกีดาคิรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัศ chi และปุณพสุกะไม่พึงอยู่ในกีดาคิรีชนบทท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงปรปภาชนิยกรรมแก่ภิกษุชื่อว่าอัศ chi และปุณพสุกะ ให้ไปจากกีดาคิรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพัสสุกะไม่พึงอยู่ในกีดาคิรีชนบทท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงปปภาชนียกรรมให้ไปจากกีดาคิรีชนบท สงลงแล้วแก่พิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพัสสุกะโดยประกาศว่าพิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพัสสุกะไม่พึงอยู่ในกีดาคีรีชนบทสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้